มีค้อนอันหนึ่งวางทิ้งอยู่บนพื้นยาเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานเพราะสนิมเริ่มขึ้นแล้วหลวงพ่อรู้สึกผิดหวังในความสะเพร่าของพระลูกวัดมากทุกๆสิ่งที่ใช้อยู่ในวัดตั้งแต่จีวรจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหลวนได้รับบริจาคมจาจากญาติโยมผู้ซึ่งต้องทำงานหนัก คารวาดชาวพุทธผู้ยากจนแต่ใจบุญอาจจะต้องอดออมเงินเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพื่อจะซื้อคอนอันนี้มาถวายวัดเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อของที่ญาตยิยมถวายอย่างขาดความเกรงใจเช่นนี้ดังนั้นหลวงพ่อจึงเรียกประชุมสงฆ์วันนั้นหลวงพ่อเทศดุพระลูกวัดอย่างรุนแรง พวกพระจะต้องได้รับบทเรียนแล้วเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาสิ่งของเพียงไม่กี่อย่างที่เราครอบครองเมื่อหลวงพ่อเทศจบพระทุกๆุกองนั่งตัวตรงเป็นแผ่นกระดานหน้าซีดและเงียบกริบหลวงพ่อรออยู่สักครู่คาดหวังว่าคนที่เป็นตัวการจะรับสารภาพ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทุกองค์ตัวแข็งเงียบสนิทและรอคอยหลวงพ่อรู้สึกผิดหวังมากๆกับบรรดาพระลูกศิษย์ขณะที่หลวงพ่อลุกขึ้นเดินออกไปจากสาราอย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อก็คิดว่าพระองค์ที่ทิ้งค้อนไว้ที่สนามหญ้า มีความกล้าพอที่จะสารภาพและขอขมาหรือคําพูดของหลวงพ่อจะรุนแรงเกินไปขณะที่หลวงพ่อเดินออกจากศาลาหลวงพ่อก็ตระหนักในบัตรนั้นว่าเหตุใดจึงไม่มีพระองค์ไหนยอมรับสารภาพหลวงพ่อหันหลังเดินกลับเข้าไปในศาลาทันทีผมรู้แล้ว ว่าใครเป็นคนลืมค้อนไว้ที่สนามหญ้าตัวผมเองหลวงพ่อลืมสนิทไปเลยว่าตัวหลวงพ่อเองนั่นแหละที่ออกไปทำงานในสนามและด้วยความเร่งรีบหลวงพ่อจึงลืมเก็บค้อนแม้ขณะที่กําลังเทศนาอบรมลูกศิษย์อย่างถึงพริกถึงขิงความทรงจำก็ยังสูญหายไปจากหลวงพ่อ จนเมื่อดุลูกศิษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันจึงหวนกลับมาคนที่ทิ้งค้อนไว้นั้นคือหลวงพ่อเองหน้าไขหน่า น, นักโชคดีว่าวัดหลวงพ่อไม่ห้ามใครทําผิดรวมถึงเจ้าอาวาส ด, ด้วย